เพื่อนที่กรกคาเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาค่ะฟังพระสูตรที่พระมาชช า, าวโรอ่านไปได้ปฏิบมาธรรมกันตามสมควรทีนี้เราก็มาพบกับช่วงเวลาของการที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยันต์ีโดยพระเูรบุญอภิปุณโนนะคะที่จะได้นําเอาเรื่องราวของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราที่ตรัสรู้แล้วมาถึงวันนี้เป็นเวลา 2,600 ปีเนี่ยมาเล่าสู่ให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันค่ะ นรสการะท่านคะเชีม่มบานค่ะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติก่อนนะคะนั่นเองเนี่ยไปเจอพวกรุ่นพี่ที่วัใกล้กเกษียณกันก็มีโอกาสได้คุยกันในเรื่องที่สนใจร่วมกันคือเรื่องของการปฏิบททัติธรรมคุณพี่ท่านนั้นก็บอกว่าเนี่ยพยายามนะอยากจะแสวงหาความสงบให้กับใจอืมจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็พยายาม อ่านหนังสือธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยอืดีเรื่องอาณาปานสติเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเรื่องของการที่อาศัยลมหายใจอืในการที่จะภาวนาแต่ได้พบกับตัวเองว่ามันเหนื่อยอะ่ะอื่ฉันก็พยายามอธิบายนะคะอธิบายไปอธิบายมามาถึงวันนี้มาพบท่านเพรบุญให้ท่านเพรบุญอธิบายอีกครั้งดีกว่าเผื่อว่าจะฟังรายการอยู่แล้วก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆ ก, กัน เหนื่อยนี่หมายถึงไงหมายถึงว่าพอเฝ้าสังเกตลมหายใจเนี่ยมันไปนกําหนดลมหายใจเข้าไหยคะเห<อ>มือนไวบังคับลมหายใจคือเหนื่อยเขาอาจจะมีอยู่2แบบนะคือห ม, มายความว่าคือในในความรู้ความเรียนการศึกษาเนี่ยนะคุณโยมติวไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยทางโลกก็เช่นว่าเรียนปริญญาตรีปริญญาโทดอกเตอร์พวกนี้ใช่ไหมรหรือว่าทางธรรมเนี่ยคุณเรียนเอ่อจนไปรเรียน9้าสุตตะคยะเบเยกะระคาถ า, าอิติพุตธกา พ, พวกนี้นะ เรียนธรรมปริญญาอะไรที่เขาศึกษากันเป็นรูปแบบเนี่ยนะหรือว่าหมาอะไราทรงก็แล้วแต่เนี่ยถ้คุณมีอายุร้อยปีเรียนตั้งแต่ขวบหนึ่งะไรนะจนกระทั่งถึงอายุร้อยปีเนี่ยแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยนะไม่ต้องทงํางานไม่ต้ออะไรเรียนอย่างเดียวนะคือร้อยปีคุณก็เรียนไม่จบ <Okay. S 1> อืมเพราะว่ามันมันหมดเลยมันอะไรก็ไม่รู้แย่ๆเป็นหมดหมาอะไรานี่ต่อหมาอะไรานูน่นด็อกเตอร์แล้วก็มีด็อกเตอร์นู่นอีกมันไม่จบ พูดถึงธรรมะเหรอคุณเรียนพระสูตรนี่เราไปเรียนพระสูตรนั้นศึกษาไปแปลไปอย่างนี้แล้วก็แปลไปอย่างอื่นนะอันนี้ธรรมะอ น, นี้ปูกกันอย่างนี้มันศึกษากันไม่จบแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยจบก็ใช่ไหม ค, คนปฏิบัติบางทีห้ปี10ปีเห็ธรรมะลึกซึ้งได้ไม่ต้อง5้าปีสิปีเลย5เดือน10เดือนบางทีเห็นได้หาวันส0วันบางทีก็ยังเห็นได้ทีนี้เขาไปเรียนแบบไหนอ่ะเขาไปเรียนแบบที่เป็นปริยัติหรือเปล่าตรงนี้ทําให้เขาอาจจะเหนื่อย นะ<ะ>ที่เราพูดถึงนี่คือการปฏิบัตินะนะถึงจะทําได้จบได้ค<ะ>ทีนี้ประการที่สองก็คือว่ า, าถ้าเขาปฏิบัติอยู่แล้วนะดีละนะแต่ว่าเขาบังคับหรือเปล่าถ้ามีการบังคับมีการเกรงนะมันก็จะปวดหัวมันก็จะเหนื่อยมันก็จะติดขัดละ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เชี่บอกก็คือจริงว่าอา้อาวนั่งคู่ขาเข้ามาได้รอบตั้งใจตรงดํารงสติเฉพาะหน้า <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกซึ่งถ้า เราไม่ต้องเกรงนะเราไม่ต้องบังคับและการเกรง่งการบังคับเนี่ยเป็นลักษณะของอภิชาคือความเพ่งเลงซึ่งเป็นหนึ่งในนิวนรณ์คือเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เธออย่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าจิตฉันเคยสงบมาฉันมีความเพ่งเลงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อีกอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะเกรงจะบังคับถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับเอาพพุทธวจนะดีกว่าที่เป็นบุาบหมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบกับเวลาเราจับนกกระจาบนะ ถ้าเราจับน้บกระจับด้วยมือสองมือนะถ้าเราอุ้มไว้เนี่ยถ้าเราอุ้มแน่นเกินไปเนี่ยจับด้วยมือสองมือแน่นเกินไปมันก็จะตายแต่ถ้าเราบวกลวมเกินไปมันก็จะบินหนีไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําพอดีอดีอหรือว่าเปรียบเทียบเวลาเราถือเว่นขยายอ่ะที่จะต้องการรวมแสงใช่ไหมเราต้องถืออย่างมั่นคงนะแต่ไม่ใช่จับแน่นเกินไปจนเกรง็ง ถ้าจับแน่นเกรงน้ำมันขยามมันก็สัน่นมือเราก็เหนื่อยแรงถือไม่ได้นานก็จะล้าแต่ถ้าเราจับหลวมเกินไปมันก็หลุดมืออีกเราต้องจับอย่างมั่นคงเพราะไอ้เกลื่อนการจับอย่างมั่นคงเนี่ยทําให้หลายคนไปเข้าใจว่าคุณต้องบังคับแต่จริงไม่ใช่ <Okay. S 1> การที่ทําจิตมาจดจอ่อเอาใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจนะไม่ใช่การบังคับไม่เหมือนกันคุณอย่าไปบังคับค่ะคือเดฉันเข้าใจว่า ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมีปัญหา ค, คล้ายๆกันแหละนะคะในช่วงเริ่มต้ น, น, น, นมันเหมือนเหมือนกับว่าจะลองทําอะไรสักอย่างเช่นขี่จักรยานอย่างเงี้ยกว่าจะขี่ได้ก็ทุลักทุเลอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อยๆจับทางได้ใช่มันจะเกรงบ้างมันจะไม่ถูกทางบ้างล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยที น, นี้เกณฑ์ในการวัดของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้อ่าใช้เรื่องของจิต ท, ที่เป็นเป็นสมาธิจิต ท, ที่สงบเพราะถ้ายังไม่สงบเนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่สงบนี่มันไม่สงบแบบขี้เกียจหรือมันไม่สง บ, สงบแบบฟุง้งซ่านซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพบว่าสติเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกได้คือบางทีเราความเพียรมากเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ดีความเพียร น, น้อยเกินไปก็ไม่ดีศรัทธามากเกินไปจะกลายเป็นแบบเาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกหวังเครื่องรางของขังของศักดิ์สิทธิ์อะไรนี้ไปอีกถ้าศรัทธาน้อยเกินไปก็ไม่ดีอีกพูดถึง สมาธิมากเกินไปก็เกียดครั้นอีกสมาธิน้อยเกินไปก็ไม่ดีจิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี่ยจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิหรือพวกเนี้ยมากไปน้อยไปก็ไม่ดีต้องกลางๆถึงดีแต่มีอย่างเดียวคือที่ยิ่งมากยิ่งดีนั้นคือสติสติเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีแต่อย่างอื่นนี่ต้องกลางๆนะพอดีพดีถึงจะดีสติอย่างเดียวเลยที่ยิ่งมากยิ่งดีใช่เพราะว่าถ้าเรามีสติละเอียดลงไปเนี่ยเรามีสติมาก เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้จิตเรามันไปทางนี้แล้วนะจิตเรามันไปทางนู้นแล้วนะสติเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ค่ะสติคือความระลึกได้ไงดังนั้นก็เหมือนกับว่าในเมื่อเรารู้รู้หลักละรู้คําสอนใช่ไหมคะว่าให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ขอให้รู้หรือว่าให้รู้ไม่ได้ให้ไปบังคับถูกไหมคะใช่ถ้าตามบทพยัญชนะนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วบทพยัญชนะเนี่ยบอกไว้ชัดเจนแล้ว เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจอืมใช่นะคะคือแผนที่มันชัดเจนอยู่เวลาเดินไปจริงจริงอาจจะคนละทางแล้วเดี๋ยวฉันต้องให้กําลังใจท่านเลยนะคะว่าเป็นเหมือนกันทั้งนั้นเลยค่ะที่ทุกฟังมันนักต่อนักเลยจะมีบอกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันมันมันทําไม่ได้มันติดขัดมันก็เลยเหนื่อยเออนะคะแล้วมันยังมีอย่างนี้ด้วยนะคะที่ฉันว่าอยู่ในระหว่างทางเนี่ยปฏิบัติไปบางทีมันดีไปสักพักนึงละอยู่ดีๆมันหายไปคล้ายๆ คนที่เล่นกอล์ฟแล้วบอกว่าวงสวิงมันหาย อ, อมันเป็นไปได้ไหมคะนั่นเออมันเป็นไปได้สิเพราะว่าพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคะทีนี้ก็เอาละเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องของพุทธชยันตีที่ท่านไปบุญตั้งใจอวันนี้ท่านตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรอะคะออพูดถึงรารายละเอียดของออการประกาศธรรมครั้งแรกนี้ซะหน่อยหนึ่งค่ะที่พูดถึงว่า อ, อปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปเนี่ยนะพิสุทห้ารูปเนี่ยถูกติวเข้มล่ก นนเนื้อหาของการติวเข้มตรงนี้คืออะไระคือในการติวเข้มตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็มีอยู่2 ส, สูตรมีอยู่2เรื่องคือเรื่องของอริยสัจส4 น, นีอันที่หน่งว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไระความดับไม่เหลือของทุกข์คือทุกข์คืออะไรแล้วก็วิธีแก้ปัญหาคืออะไรเราจะพบว่ า, าตั้งแต่เรื่องของเหตุเกิดทุกข์ไปเนี่ยมันค่อนข้างจะแวกแนวเลยนะคนอื่นจะเชื่อว่าเป็นเหตุภายนอกใช่ไหม พระพุทาบอกไม่ใช่อยู่ที่ข้างในตัณหาเอาแล้วความแก้ของทุกในคิดว่าผู้อื่นบรรลั น, นให้พระพุทาบอกไม่ใช่นะอยู่ที่มรรคคือเดินตามมรรคนี่คือวิธีการแก้ปัญหาค่ะลักษณะนี้วิธีการแก้ปัญหาในสมัยก่อนเขาก็ว่อาอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วย อ, อย่างนั้นอย่างนี้แต่พระพุเจ้าเราบอกว่าอืมคุณทําเองได้นะคือเดินตามมรรคนะเพราะฉะนั้นมันแหวกแนวออยยิ่งยงิสมัยในปัจจุบันก็ตามเถอะเราบอกว่าคนอื่น ด่ากันมากกันเขาทําไม่ดีเราต้องด่าเขาผู้เจ้าบอกไม่ใช่คุณต้องมีเมตตาแค่นี้มันก็แวกแนวบอลแล้วนะค่ะคุณโยมเตี๋ยวเนื้อไหมค่ะอืมอทีนี้นี่คือรายละเอียดของการแสดงธรรมจักรตรงต้องธรรมจักรกับปวัฒตนสูต ร, ตรตรงนี้เนี่ย่หลังจากที่แสดงไปแล้วเนี่ยนะเกิดเกิดการแผ่นดินไหวอันใหญ่หลวงเนื่นเพราะว่ามีการแสดงธรรมจักรค่ะอในพระสูตรท่านก็บอกว่า คือหลังจากที่แสดงทมไปแล้วเนี่ยพยยระยากลตัญญาบรรลุเป็นสุรบัลแล้วเนี่ยนะเทวดาต่างๆก็อนุโมทนาสรรเสริญนะรเสียงนั้นก็จึงบรรลือเกิกล้องขึ้นไปทำให้เป็นที่มาของความสันสันท้านสะเทือนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมที่สำคัญและครั้งสำคัญดังนั้นจึงไม่เพียงแต่เขาเรียกว่าอะไรค ะ, ะปัจจุคัฟังอยู่ แต่ว่ายังมีเทวดาอื ม, อมาร่วมฟังอยู่ด้วยถึงได้สาธุ ก, การจนกระทั่งเกิดปรากฏการแผ่นดินไหวนั้นอืนอกจากแผ่นดินไหวแล้วก็ยังมีแสงสว่างอันใหญ่หลวงค่ะอนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับการตรัสรู้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ประสูติตั้งแต่เริ่มก้าวลงสู่คันเลยนะก้าวลงสู่คันมันดาประสูติออกมาตรัสรู้เป็นพระทเจ้านะเราก็แสดงธรรมบัญญ แล้วก็ปริณีผ่านพวกนี้จะมีการแสงสว่างแล้วก็แผ่นินไหวทั้งนั้นอซึ่งแปลกมากนะคะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เลยว่ามีปรากฏการพวกนี้เกิดขึ้นใช่เป็นอัศจรรย์เป็นความอัศจรรย์ที่จะปรากฏมีเพราะการมีของสมสัยสมพุทธเจ้านั่นแสดงว่ามันต้องเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่สําคัญแล้วก็เป็นเครื่องที่จะบอกว่าทำที่ ทำให้เกิดธรรมชาติตอบรับอย่างชัดเจนใหญ่หลวงอย่างเนี้ยเป็นธรรมที่สําคัญสาคัญสาคัญใช่ไหมครับเพราะเพราะที่ท่านสังเกตนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะพูดตรัสออกมาเองคือเราในกําลังศึกษาพุทธวจนะเพราะว่าที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านตรัสไว้ในสําคัญที่สุดใช่ต้องฟังคําของท่านอเพราะท่านมีสมาธิในการที่จะพูดพูดแล้วไม่ผิดเพี้ยนอะไรก็ว่าไปนะคะใช่ อันนี้ในโลกม น, นุษย์ล้วก็พอจะมีตัวอย่างนะอย่างเช่นบุคคลที่เป็นผู้นําใหญ่หลวงของประเทศอย่างเงี้ยเขาไปแสดงศูนย์สระพศทีหนึ่งอย่างเงี้ยคนฟังทั่วสเตเดียมหรือทั่วจตุรัสอย่างเงี้ยปอบมือกันนี่โอ้โหขึ้มขึ้นมาเลยเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวฉั้นถึงจตุรัสเทียนอันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือมันใหญ่แล้วคนเยอะนะคะอะแต่แ ต, แต่ว่าพูดถึงในกรณีเหตุการณ์ของพระพุทธองค์ อ, อย่างเงี้ย เราเชื่อว่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เสริมเข้าไปเพื่อให้ความพิเศษเยอือแก่ภาษาสดาของเราในชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วท่านเพริบุญช่วยอธิบายต่อมันคืออะไรมันจะมีส่วนที่เป็นพุทธประณะก็มีนะที่เรื่องพิเศษพิเศษที่เป็นปฏิหารอัศจรยย์อ่างเงี้ยที่เป็นพุทธปจนะก็มีอย่างเช่นอตอนพระพุทธเจ้าประสูติอย่างเงี้ยมีท่อน้ําไหลออกมาซ้ายขวาน้ำร้อนน้ําเย็นอย่างเงี้ย วันนี้เป็นพุทธวจนะนะแต่ก็จะมีเรื่องอื่นที่เติมขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะอีกเหมือนกัน <Okay. S 2> อีกหลายเรื่องเช่นว่าโอ้ยมีหลายเรื่องเลยละ่ะที่เราได้ฟังมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เติมขึ้นทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นพุทธวจนะที่เป็นปาฏิหารเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีมีแล้วพระพุทธรัตตเอกไวเองใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจําแนกกันถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่เติมมาออกไป ก็ยังมีส่วนที่เป็นปาฏิหาริย์อยู่จำนวนมากมายใช่รับบุคคลพิเศษใช่ไหมคะมหาบุรุษเอาอยัางพูดถึงเรื่องใครๆก็ทำได้ก็มีอย่างเช่นว่าเรื่องของอ่านใจคนจตุปปัตยานการรู้อดีตอนาคตพวกนี้ก็คนที่มีอำนาจทางสมาธิก็จะทำได้ด้วยค่ะ อ, อย่างไรก็ตามประเด็นที่จะพูดวันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนอกจากธรรมจักรกับประปณสูตรเนี่ย เรื่องของอริยสัจสีแล้วเนี่ยก็อีกหนึ่งอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของอันัตอันตตะลัคนะโสซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงกันอันตตะลัคนะโสเนี่ยนะพูดถึงความเป็นอนันตตานะของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเอเยตนะทั้งภายใ น, นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสปุถบัตธรรมารม์นะทั้งสิบสองอย่างนะ่ะว่าเป็นของอันตตาอย่างที่เราเคยได้ยินบทที่ว่า ตาเน่เป็นไม่ใช่ของเราเนะ่เธอจงละมันเสียเพราะในเพราะมันเป็นอนัตตาตาคูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คืออนัตตลักขณสูตรซึ่งตรงนี้ก็เป็นติวเข้มนะเป็นติวเข้มตอนที่สองที่ทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดห้ารูปเลยเพราะงั้นปออเอรื่องของความทดสอบเป็นอรหันต์เนี่ย เราจึงมาดูที่ความเป็นอนัตตาความยึดถือความเป็นตัวตนแต่ความทดสอบบททดสอบที่จะเป็นโสดาบันเนี่ยก็คือแค่มีทิฏฐิที่ถูกต้องอันนี้เราจะเห็นได้จากพระสูตรที่พระรูชาแสดงด้วยนะหรือถ้าพูดถึงเรื่องความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็เป็นโสดาบันถ้าพูดถึงเรื่องการปล่อยวางถึงความเป็นตัวตนคุณเป็นพระอรหันต์ค่ะสูงสุดแล้วต้องปล่อยวางความเป็นตัวตนได้เป็น พระอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือขั้นที่สี่ที่เรียกว่าพระอระหรันต์ใช่ค่ะใ น, นเรื่องของอพุทธประวัติที่เกี่ยวกับความเป็นพุทธเพื่อฉลองสองพยปีเราก็จะตอนนี้วันนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้ก่อนค่ะท่านค ะ, ะพูดถึงพระอระหรนันต์พระพุทธองค์เราก็เคยได้ยินคํากล่าวเรียกชื่อพระพุทธองค์ว่าพระอระหันต์ตัสา ม, มาสัมพุทธเจ้า อรหันทุนทุ่นกับอรหันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าในต่างกันอย่างไรโอ้โหต่างกันเหมือนกับดวงจันทร์กับดวงดาวอ่ะค่ะดวงจันทร์คืนเต็มดวงเนี่ยมันสว่างมากถ้าเปรียบเทียบกับดวงดาวก็พอเห็นอยู่นะแต่แสงสว่างของดวงดาวมันน้อยมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในคุณธรรมอื่นๆในคำสอนอื่นๆนี่ก็แสงอิ่มห้อยกันนี่ในตอนกลางคืนนะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะลักษณะนี้ถ้าสัมมาสัมพุทธะนี่เปรียบเทียมือนกับดวงจันทร์ พระสงค์อื่นๆที่เป็นอรหันนะกเบืบอํานแนกรกดวงดาวต่างกันยังไงโงมพระุทธเจ้าเคยตรัสไว้อันนี้มีรายละเอียดอยู่สามสอย่างมัอนก็จะคุยให้ฟังได้ในวันต่อไปอยู่ค่ะวันนี้แค่รู้ว่าห่างกันแบบดวงการกับดวงดาวเลยไปก่อนกันแล้วกันนะคะก็ฝากให้ปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์ด้วยอะไรดีเข้าวันนี้ด้วยการที่เรามีความห็นให้ถูกต้อง นนในเรื่องของอรยิยสัจ ส, สี่เท่า น, นี้แหละค่ะมีความเห็นที่ถูกต้องเรื่องของทุก์เรื่องของการเกิดเรื่องของการดับนะคะขราว น, นี้ก็นำมาส ก, การขอบคุณท่านจันทร์ไทตูนค่ะจนร์พนพาระหว่างที่เคารพค่ะแหมกําลังน่าสนใจมากเลยนะคะว่าพระอารหันตสตัสมาสามัมพุทธเจ้ากับพระอารหาันต์ทุนท่นๆคือหมายถึงพระอารหันต์แล้วก็ไม่มีอะไรต่อมาอีกเนี่ยนะคะแตกต่างกันอย่างไรรายการสัมมนาสนทนาค่ะก็ให้ท่านได้ คอยไปก่อนพร้อมกับการปฏิบัติที่ท่านพิบูลทิ้งทายไว้ให้แล้วส่วนท่านที่สนใจจะศึกษาสิ่งที่พระพุทธโ์ตรัสไว้ที่เ ร, เรียกกันว่าพุทธวจนะนะคะเป็นหนังสือพิเศษไม่มีขายที่ไหนถ้าอาจารย์คริสและลูกศิษย์ต่างเนี่ยนะคะได้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายและก็ได้มอบมาให้ทางรายการนี้เพื่อให้กับท่านที่สนใจแล้วติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สองสองหกศย์ศด้วยท่านก็ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันนะคะทางสาานีนี้ จะได้บันทึกเอาไว้แล้วก็ประสานเพื่อนําไปสู่การที่จะให้ท่านมารับต่อไปค่ะเอาไปใคร้ควรวนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมการบูชาสูงสุดคือการปฏิบัติบูชารู้ธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็นําไปสู่การปฏิบัตินะคะวันนี้ลากันไปก่อนพุทธวัตรสวัสดีค่ะ